พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่8พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทุกวงการต้องการคนดี วันนี้เป็นวันที่8ปพฤษภาคมพุทธศักราช2557พระในวัดของเราทั้งหมด35สห้ารูปสมมเนธสองวันนี้ลงมาฉันย6งดฉันส1อรูปวันนี้ทราบข่าวทางคณะทธายาิโยมว่าหลวงปู่เจ้าคุณอุดร ที่ท่านป่วยอยู่ที่ศรีนครินมาสี่ปีกว่าเป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรท่านมรณาภาพแล้วเดี๋ยวนี้ศพของท่านอยู่ที่วัดโพธิสมพรอุดรถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่ อ, องคงจะได้ออกไปกราบคารวะศพของท่านวันนี้ นี่แหละอันนี้ถ้าก็ไปป่วยอยู่ที่ตึกสงอาพาธที่หลวงพ่อไปสร้างไว้ที่เป็นตั้งเป็นมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านไปป่วยอยู่ถึงสี่ปีไปป่วยอยู่ที่นั่นเป็นโรคอะไรมะเร็งในลำคอแต่หลวงตาก็ช่วยนะท่านรัก เคารพในองค์หลวงตาองค์หลวงตาก็ช่วยท่านไปรักษาอยู่ที่เมืองจีนหลวงตาให้ไปทั้งสามล้านทีเดียวเลยนะไปรักษาแต่ก็ประทังจากนั้นก็กลับมาก็ปะทุอีกเพราะเป็นมะเร็งน่ยมันรักษามยากทํามะเร็งเป้าจะใครแล้วก็หลีกลี้หนียากไปมะเร็งเป้าใส่แล้วมัเร็ง ผิดพลาดยากแต่ท่านขอมรณะภาพแล้วอายุเกาสบกว่าอันนี้คือได้ยินมาเรื่อยๆมรณงเมภวิสติให้รละลึกไว้อยู่เสมอความตายไม่มีใครที่จะหลีกรลี่หนีพ้นไปได้แต่ต้องคิดคิดไว้ดีกว่าไม่คิด ถ้าคนไม่คิดจะลืมตัวหลงลืมตัวไม่ดูเจ้าของว่าของเจ้าของเนี่ยจะไปยังไงไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงไปข้างหน้าเนี่ยถ้าว่าไม่ระลึกไว้น่ยลืมตั ว, ตวเองถลำความชั่วเสียหายในเมื่อเสียหายเกิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละแก้ไขา ย, ยากเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วออกไปแล้วแก้ไขา ย, ยาก ความชั่วอย่าทํำเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วถ้าคิดดีทําดีพูดดีตลอดจะทําให้ตนเองมีความพาสุขไม่เดือดร้อนเมื่อภายหลัง มันตรงกันข้ามดีกับชั่วมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นพวกเราได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้รู้แก่ใจอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถ้าว่าเราได้คิดดีแล้วถ้าเราทําไปถึงจะผิดพลาดก็แก้ไขพอแก้ไขได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเราได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าเรา มีแต่คิดชั่วมีแต่เอาอย่างเดียวใครไม่รู้คนไม่เห็นกฎหมายเอาเรื่องไม่ได้ เ, เราเหนือกว่ า, ากลุ่มของเราเหนือกว่าพรรคของเราเหนือ ก, กว่าอย่างนี้แต่ถ้าว่าโลกอ น, นี้มันโลกอเนจังพร้อมที่จะอของไม่เที่ยงเกิดขึ้นเพร า, า น, นั้นอย่าเสี่ยงอย่าทำจะเลยดีกว่าถ้าทําไปแล้วตัวเองเดือดร้อน จะเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังสิ่งเหล่านี้พระพพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วพุทธบริษัทของพระองค์เราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทของพุทธะเราจะทำสิ่งไหนลงไปเราต้องคิดถึงบริษัทของเราทำให้เสื่อมเสียบริษัทหรือเปล่าบริษัทของเรา จะเป็นที่ตำหนิของคนหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้พวกเราอยู่ในบริษัทก็วควรจะสำนึกไว้อยู่ในใจสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นความดีเราก็ควรจะทำสิ่งนั้นปฏิบัติปฏิบัติตนให้ถูกต้องให้เป็นธรรมแต่ ว, ว่าถูกต้องคํานี้แหละอันไหนคือคือถูกต้องถูกต้องด้วยหลักเหตุผล เหตุผลนันคืออะไรเราได้พวกเราอยู่ในระดับนี้แล้วก็น่าจะสํานึกได้คิดได้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรมีเหตุผลไม่มีเหตุผลอย่างไรพวกเราควรจะไขควรหาเหตุผลและก็หาความถูกต้องเพราะชีวิตของเราไม่ยืนยาวปูดแล้วไม่ถึงรอยปี เราจะโลภไปอะไรมากมายนักหนาแต่พออยู่พอกินแล้วกออเอา้าพอเป็นไปได้แต่ถึงยังไงก็ตามประเทศชาติบ้านเมืองอใครๆก็ต้องการคนดีทั้งนั้นแต่วัดของเราก็ต้องการคนดีนะพระดีนะแต่พระเร็วๆพระห่วยๆเราไม่ต้องการสำนักงานไหนก็ตามเขาต้องการคนดีประเทศชาติ เขาต้องการคนดีสิทธิมนุษยชนก็เถอะนะปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องดูแลเขาต้องทำอย่างต้องทำอย่างนี้ต้องปกป้องคู่คนแต่พอตัวเองเข้ามานะเอาคนคนเข้ามาทางานอยู่ในสิทธิมนุษยชนไม่เอาพีบ้าพีบอมาได้ตัวเตะคน ไรคุณภาพกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดไม่เอาเข้ามาทางานนะสิทธิมนุษยชนก็เหมือนกันนะต้องหาคนดีอีกเหมือนกันเพราะนั้นทุกอย่างทุกวงการต้องหาคนดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านความคิดไหนที่มันดีวันนี้เราคิดดีหรือเปล่าเราคิดดีกับความคิดของเราในวันนี้เนะ ตั้งแต่ตื่นมานะเราจะคิดดีเท่านั้นเมื่อคิดดีเราก็จะทำดีแล้วเราก็จะพูดดีในเมื่อเราตั้งใจไว้อยู่ในใจเสมอนั่นแหละเราก็จะเจอแต่ความดีแต่เราไม่ได้คานวณไม่ได้บวกลบคูณหารตื่นขึ้นมาแล้วก็แล้วปล่อยเออระเหยลอยลมไปเรื่อยโดยมากมันจะไปทางต่ำ ไปทางชั่วคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วจะมากกว่าแต่ว่าบางทีมันคิดชั่วมากกว่านั่นนะแต่ว่าเราก็พยายามจะไม่ทาจะไม่พูดนะแต่ทางใจของเรานะี่ยมันยมากมีแต่ราคะบังโทสะบา ง, โ, าบางโมหะบางังโลภโกรธหลงบังอยู่ในจิตในใจถ้าเราไมไ่สำนึกสำเนียก แต่ถ้าเราตัวตรายอยู่เสมอนั่นะเราก็จะเห็นเห็นตัวของเราถ้าเราไม่มองนะจะไม่เห็นนะเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงจให้มีสมาธิจิตใจที่เป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิจะมองเห็นได้จิตใจเรานิ่งนะเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบด้านรอบข้างเราได้แต่ถ้าว่าเราจิตใจของเราเออละ เ, เหยไปเรื่อย ไม่หาจุดจบที่ยับยั้งไม่ได้คิดเลื่อยเปลื่ยไปเรื่อยไม่มีสมาธิในการเป็นอยู่มันจะมองไม่เห็นความดีความชั่วชั่วก็มองไม่เห็นดีก็มองไม่เห็นเพราะอะไรมันคิดเลื่อยเปลื่ยไปเรื่อยแต่สรุปแล้วก็คือคนเราต้องการคนดีสรุปแล้วทุกประเทศทุกชาติทุกภาษาทุกวงการ ต้องการคนดีแต่ว่าการทำคุณงามความดีนั้นยากานับตั้งแต่ผู้ที่เป็นหัวหน้าจนถึงคนจุดท้องคนจุดท้ายแต่ที่เช่นเมื่อไงแต่ที่ยังไงก็คือจุดมุ่งหวังมุ่งหมายมุ่งมั่นของเราคือต้องการคนดีถึงจะใครจะเป็นยังไงคนจะเลวแสนเลวขนาดไหน แต่จุดมุ่งหมายของคนคือต้องการคนดีคนมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจเจริยธรรมดันั้นขอให้พวกเราตรวจตราดูพวกเรานะทุกคนที่พูดทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็จะตรวจตราดูหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะหลวงพ่อเป็นยังไงไปในทางดีไหมทางพวกเราอันนี้คือเป็นการเตือน กล่าวเตือนซึ่งกันและกันพอเราเป็นพุทธบริษัทอย่างที่ว่าถ้าบริษัททําความคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วบริษัทของเราก็จะเดือดร้อนเหมือนกันถ้าคิดดีทดําดีพูดดีอยู่ในหลักธรรมวินัยแล้วบริษัทของเราร่มเย็นเป็นสุขเพราะพวกเราอยู่ในเหตุผลหลักเหตุผลอยู่ในหลักความถูกต้องความเป็นธรรมนะ รับพรออนะุโมทนาให้ปน